ที่สาลาน้ำตรงนี้ก็มีสะพานเดินได้สะดวกสะพานนี้ไม่ใช่เฉพาะพระรยมที่ได้ใช้ประโยชน์มีสัตว์บางชนิดก็ได้ใช้ประโยชน์ด้วยที่เป็นขาประจำก็คือจิ้งเหลนเวลาเดินข้ามสะพานก็จะเจอจิ้งเหลนตัวหนึ่งมันนอนอยู่แล้วก็ ตอนหลังก็สังเกตว่ามันชอบมันนอนตอนเวลาที่มีแดดมันมาพึ่งแดดหรืออาบแดดนั่นเองเดินผ่านไปผ่านมาที่หน้ามันก็หลบแต่ตอนหลังก็เริ่มไม่หลบแล้วมันก็เริ่มคุนยอมให้จ้องใกล้ๆได้วันไหนไม่มีแดดมันก็ไม่มาแต่ถ้ามีแดดก็จะเห็นมันมาพึ่งแดดอยู่ที่สะพาน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 สัตว์แดดพวกเลือยคลานี่มันสัตว์เลือดเย็นมันไม่มีระบบที่จะทำความร้อนให้แก่ตัวมันจากภายในมันก็เลยต้องมาใส่ความร้อนจากแสงอาทิตย์ถ้าเป็นธรรมชาติของสัตว์ประเภทนี้จะต้องมานั่งหรือยืนหรือนอนปักแดบดบถ้าเห็นถ้าอยู่กันเป็นฝูงๆ ก, ก, ก็ยิ่งชัดเจนก็ยิ่งหน้าค้ำก็เป็นใหญ่เนี่ย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 เพราะว่ามันต้องใช้พลังงานเยอะอาศัยพลังงานจากภายนอกมาให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเกะคงคล้ายๆคนที่อดอาหารเนะถ้าจะอดอาหารก็คก็แน่ว่าต้องไปถึงแดดตอนเช้าช้าแต่ตอนเย็นเย็นเพราะว่าคนที่อดอาหารมีพลังงานในร่างกายน้อยก็อาศัยความร้อนจากจากแสงแดดนั่นแหละช่วยให้ร่างกายปรับาธาตุได้ มันไม่สามารถจะปรับธาตุได้ดีด้วยอาหารเพราะว่าไม่กินเลยหรือว่ากินน้อยก็ต้องอาศัยธรรมชาติมาช่วยได้ทั้งยีตบินดีแล้วก็ได้ทั้งการปรับภาพนี่ต้อเราพูดในแง่หนึ่งการที่จิ้เหลนหรือว่าสัตว์ประเภท น, นี้มันอาศัยความร้อนอาศัยแสงแดดมีช่วยเราก็จะพูดได้ ว, ว่ามันอาศัย แสงแดดมาช่วยแก้ทุกข์ช่วยคลายทุกข์อาศัยปัจจัยภายนอกมาช่วยคลายทุกข์ส่วนมนุษย์เราเรามีความสามารถที่จะอาศัยปัจจัยภายในมาช่วยดับทุกข์ได้ไม่ใช่เฉพาะแต่ทุกทางกายนรวมทุกทุกทางใจเดียอันนี้เวลาพูดถึงทุกข์ก็น่าคิดเหมือนกันนะ ว, ว่าเออไอทุกข์นี้มันมาจากไหน ใ น, ในทางกายภาพในทางกายแล้วก็จะบอกได้ว่าเออทุกมันมาจากภายนอกมาจากอุปปาอาการมาจากสิงสารสัตว์ที่มาคุกคามแต่ในแงยทุกทางใจเนะี่ยมันมาจากไหนมันก็ตอบได้สองแง่ถ้าพูดในสายตางคนทั่วไปก็คือว่าทุกมาจากคนอื่นมาทําให้เราหรือว่าทุกมาทําเกิดขึ้นจากตัวเราเอง คนส่วนใหญ่ก็มักจะตอบในข้อแรกก็ข้อสองคือทุกเกิดจากคนอื่นมาทําให้กับเราหรือว่าทุกเกิดจากเราทําเองที่คำตอบอย่างแก่งคัดนะตามหลักพุทธศาสนาก็ถือว่าผิดทั้งคู่ปุจจาระตัดว่านี่เป็นวิชาทิ่ิทั้งคู่ถ้าฟังดูมันก็เหมือนกับว่าแย้งกับที่เราพูดที่เราสอนกันมาเลยพ่อที่บอกว่าทุกมันเกิดจากตัวเราเองไม่ใช่เกิดจากคนอืน่น จากนี้ถ้าพูดกันอย่างเคร่งครัดแล้วนี่มันก็ไม่ใช่ว่าเกิดจากตัวเราเองแค่ทีเดียวนะอย่างตอนนี้ถ้าเกิดว่าอาตมาบอกว่าทุกคนโกรธสิหรือทุกคนโมโหโสิมไม่โมหโหหรอกหรือว่าปุกความโกรธไม่ขึ้นโมห โ, ม ห, โมหไม่ขึ้นเัวเองจะสั่งให้โกรธมันไม่โกรธตัวเองจะสั่งให้โมโหมันไม่โมโหเัวเองจะสั่งให้อยากจะสั่งให้ดีใจก็มไม่อยากไม่ดีใจ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 การที่ตาก็ทบตูปหูได้ยินเสียงแต่ไม่ใช่แค่นั้นมันยังมีปัจจัยอื่นตามมาเช่นว่าเรามีโลละมูลมีโรผ้าโทสะโมหะอยู่นะยังมีอวิชาอยู่แล้วก็ไม่มีสติตบํากับด้วยนะท่อหูได้ยินเสียงไม่มีสติก็โกรธขึ้นมาได้ทันทีแต่พอมีสติเราก็ระงับความโกรธได้ ในตัวอย่างนี้มันก็หมายความว่าความทุกข์นี่มันก็ไม่ใช่ว่าเราเป็นคนทำเฉยที่เดียวคนอื่นทํามันก็ไม่แน่เสมอไปเพราะว่าดา่าบางทีคนอื่นดา่าก็ไม่โกรธแม้แต่ทุกตีก็ไม่โกรธคนถูกทุบคนถูกตีเขาก็ไม่ทุกข์อะไรนัน่นก็ไม่เสมอไปที่ว่าคนอื่นทําเราถึงเป็นทุกข์แล้วคราวนี้มันเป็นทุกข์เพราะอะไรนะอระพุทเจ้าก็ เวลาท่านตอบท่านก็ตอบแบบเป็น ก, นกลางๆท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านก็เอาเพราะคนเราทุกข์เพราะอาวิชชาอาวิชชาเป็นปัจจัยให้สังขารสังขารเป็นปัจจัยให้วิญญาณวิญญาณเป็นปใจใัจจัยนามรูปนาม ร, รูปเป็นปัจจัยสลยปัญหานะท่านก็ใช้หลักปฏิจจสมุปบาท น, นี่แหละก็คือว่ามันทุกข์เพราะมีอวิชชาอาวิชชาก็ปุนแต่งปันเป็นปจัจจัยไปสู่รัดไปถึงเรื่องของภัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติ ชรามรณะทุกขโทมนนั้คือมันมีกระบวนการของความทุกข์อยู่จึ่งเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันไม่ไม่ได้เป็นเรื่องของตัวค น, นเวลาเรามองว่าทุกข์มันเกิดจากเราทําหรือเกิดจากคนอื่นทําให้อันนี้เป็นวิจาริสติเพราะว่ามันยังเป็นการมองแบบมีตัวมีตนอยู่แล้วก็มันก็ไม่ถูกต้องกับตามความเป็นจริงด้วยการมองอย่างแรกว่าทุก เป็นเพราะฉันทำตัวฉันทำเองมีทันว่าเป็นสัตตาทิฏฐิหรือความชัว่วมันมีตัวตนที่ยั่งยืนหรือความทุกข์เกิดจากคนอื่นทำาห้อันนี้มันก็เป็นปุจชัยพาทิฏฐิความชัตัว ต, วตวดนดับศูนย์อันนี้มันจะเป็นทําไมถึงเรียกวเป็นนิจชาทิฏฐิแบบสัจตะหรือแบบเชษฐามีอันนี้ก็อย่าเพิ่งไปสนใจแต่ประเด็นก็คือว่าเวลาจะเข้าใจเรื่องความทุกข์เนี่ยเรา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 จนกระทั่ไม่รู้ว่าจะดับกันที่ตรงไหนบางทีทําให้ผิดทางด้วยอย่างพอคิดว่าทุกเกิดจากฉันทําเองก็ไปทรมานตนซะเลยแบบพวกอัตตกิลมถานิโยกทรมานตนเพื่อจะให้ไอ้ตัวฉันนี่มันเหตุลาบจะได้ไม่ไม่หาความทุกข์มาใส่ตัวนั้นก็ไม่ใช่ไม่ใช่ทางแต่ถ้ามองย่อยลงไปว่าเออแทนที่จะมองเป็นตัวฉันหรือตัวใครก็ตามมองว่าเออ เป็นเพราะว่ามันมีกิเลสอยู่มีอวิชชาอยู่มีมอกุศลมูลอยู่โลภะโทสะโมหะอยู่แล้วมันไม่มีสติมากากับไม่มีปัญญาไม่มีกรุณาเข้ามาทํางานความทุกข์เกิดขึ้นได้มันจะเกิดจากใครก็แล้วแต่ต้นตอมันจะมาจากไหนก็แล้วแต่แตถ่ถ้าเกิดว่าถ้าาเกิดว่มันมีตัวนี้อยู่โลภะโทสะโมหะหรือว่าจะมีอวิชชาอยู่นะีไม่ว่าจะเป็นสิ่งภายนอก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 กุศลมูลตัวโลภะตัวสามโมหะหรือที่อธิบายด้หลักปฏิจจานก็ยาวหน่อยตัณหาอุปาทานถ้ามีตรงนี้เมื่อไหร่ก็ทุกมันนั้นให้ตรงนี้เราเราควรจะต้องเข้าใจเพราะว่ามันหมายความว่าตาราบใดที่ยังมีสิ่งนี้อยู่ตัวอวิชชาตัวตัณหาอุปาทานแล้วก็ขณะที่สติปัญญาเมตตากรุณา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 ตีตาแบ่งว่าใครดีใครชั่วนะแต่ว่าทายัางานเราถึงจะทำให้ส่วนดีมีเจริญงอกงามขึ้นมาและทําให้ส่วนที่ไม่ดีมันแตกเปลี่ยนไปทํางานเราทึงทำให้ความโกรธมันกลายเป็นความไม่โกรธเป็นความเมตตากรุณ า, า, าทํางานเลยทั้งคำทำให้ความเห็นแก่ตัวมันกลายเป็นการเห็นแก่ส่วนรวมทําไงทําให้ความหลงมันกลายเป็นปัญญาขึ้นมา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 หรือว่ากลายเป็นปุ๋ยให้กับส่วนที่ดีอันนี้เป็นเป็นหน้าที่ของการปฏิบัติธรรมการที่พระเจ้าออสอนเรื่องทางสีลภาวนาหรือสีนสมาธิปัญญาก็ดีก็คือการมาเติมตรงนี้แหละมาทําให้ส่วนที่ดีเจริญ ง, งอกงามมากขึ้ น, นอย่างที่เรามาเจริญสติแล้วก็มาเจริญสติเพื่อให้สตินี้เข้ามาขับไล่ความหลงความฟุง้งซ่านการปฏิบัติธรรม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 พูดว่ า, นน เ, นาวเนี่ยในน้ําเน่าเนี่ยเราไม่ต้องไปสูบไปตักมันออกนะเพียงแต่เราทดน้ําน้ําดีน้ํนาใสใส่เข้าไปในสระน้ําดีมันก็ค่อยไล่น้ําเสียออกไปเองมันเป็นธรรมชาติของเขาและมันเป็นปฏิปักษกันเดิดน autonom ก น, นคือว่าเราต้องพยายามบํารุงทำมะฝ่ายกคศลเอาไว้แล้วก็ไม่ไปบํารุง ทำมาฝ่ายอากุศลเช่นความโกรธถ้าเราโกรธบ่อยๆโกรธแล้วเอาไปคิดเอาไปปรุมแต่งเนี่ยความโกรธก็กระจายขยายตัวหรือว่าจะเลยงอกงามมากขึ้นและยิ่งเราทําตามความโกรธเช่นไปด่าหรือไปทุบตีนะมันก็เท่ากับทําให้ไอ้ความโกรธนี่มันแตกหนอ่อออกดอกผลไปเรื่อยๆเมื่อเราโกรธใครเนี่ยถึงแน้ มันจะผ่านไปแต่ความโกรธนี่มันไม่ไปมันไม่หายไปไหนนะมันกลายเป็นอาสวะมันเป็นอนุสัยมันกลายเป็นตะกรนที่สะสมอยู่ในใจเราทำให้เราโกรธง่ายขึ้นแต่ก่อนโกรธยากแต่พอโกรธบ่อยๆเข้าโกรธบ่อยๆบ่อยๆข้ามก็จกัาเป็นโกรธง่าย <S <S เพียงแค่ทำอะไรไม่ถูกใจหรือทำอะไรพูดจาไม่ถูกหูก็โกรธละ <S <S และที่สำคัญก็คือว่าเวลาเราโกรธไปเนี่ย มันก็มักจะทำให้คนที่ถูกโกรธเนี่ยก็ปล่อยได้รับอบคุณผลกิจจากเราไปด้วยเขาได้รับอคุณลกิตแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะโกรธขึ้นมาเขาโกรธขึ้นมาเขาอาจจะมาตอบโต้คนที่ทําให้เขาโกรธหรือไม่ถ้าก็ททำไม่ได้เขาก็จะไประบายใส่คนอื่นต่อไประบายกับคนที่มีอานาจน้อยกว่าอายุน้อยกว่าแล้วก็มันจะพบว่าคนที่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 พ่อนี่ก็ชอบทุกตีแม่ขนาดพ่อนี่เป็นอัมาพาตอัมพฤกษ์นะพิก า, ารแต่ว่าเป็นคนที่อีกระแวงเมียเป็นคนขี้หึงเพราะว่าอายุห่างกันยี่สิบปีรู้สึว่าตัวเองนี้แก่ก็ระแวงว่าเมียจะไปคบชู้ที่อายุอ่อนกว่าตัวเอ ง, งก็ระแวงหึงก็ตีแม่ในบ้านนี้ก็ไม่มีความสุขเลย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 ต้องเอาความดีเอาเมตตาเอากรุณาเอาสติเอาความยุตัวทุกข์เข้ามาแทนในจิตใจคนลำก็มีทั้งสองอย่างธรรมะฝ่ายกุศลกับธรรมะฝ่ายอกุศลถ้าเราปล่อยให้ธรรมะฝ่ายอกุศลงองงามขึ้นเราก็จะเป็นคนที่ทุกข์ง่ายมไม่ต้องบอกหลือ ว, ว่าใครมาทําให้ทุกข์จะเป็นคนอื่นหรือจะเป็นเราก็แล้วแต่แต่ถ้ามันมีธรรมะฝ่ายอกุศลอยู่เนี่ยทุกวันยังข้างเพราะมันมีเชื้อ แต่เราต้องพยายามส่งเสริมทำมฝ่ายกุศลให้ดีขึ้นให้เจริญงอกงามมากขึ้นมีเด็กนะเด็กในหมู่บ้านอินเดียนแดงเขาเห็นบ้านเดีนแดงนี่เราก็รู้ว่าในอเมริกานี่มันถูกหลังแกถูกถู ก, ถ, ก, ถ, กถูกเหยียดยด่ำโดยคนขาวก็มีข่าวหนึ่งก็มันก็มีเรื่องมีการทุบตีหลังแกเดีนแดงหลาน ก็สังเกตว่าปู่นี่ถ้าถั้งไม่ชูดีก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นปู่ก็อธิบายให้หลานฟังว่าตอนนี้หมาป่าสองตัวในใจนี่มันกาลังสู้กันหลานก็ถามว่าหมาป่าสองตัวเป็นยังไงอ่ะปู่ก็บอกว่าตัวแรกนี่มันดุมันชอบแก้แค้นมันชอบอรารวาสเกลือกราด อีตัวหนึ่งเป็นตัวที่ไม่ชอบตังแกใครเป็นตัวที่มีเมตตากรุณาหลังก็ถามว่าแล้วตัวไหนจะชนะปู่ก็บอกว่ามันขึ้นอยู่ว่าเราจะเลี้ยงให้อาหารแต่ตัวไหนเราจะให้อาหารแต่ตัวไหนถ้าเราให้อาหารแต่ตัวที่สองเนี่ยตัวที่สองคือความเมตตากรุณาก็ชนะแต่ถ้าเราให้อาหารแต่ตัวแรกคือโกรธโกรธบ่อยพยาบาทให้ตัวแรกมันก็ มีใชในจิตใจเราก็มีสองอย่างนี่แหละทำฝ่ายกุศลกับทาฝ่ายอกุศลทําฝ่ายอากุศล ก, ก็โทสะโมหะโลภะความพยาบาทความไม่มีสติความลืมความหลงความประมาทอันนี้มันเป็นอกุศลส่วนที่กุศลก็อโลภะอโทสะอโมหะนะก็คือความเอเื้อเฟือเผื่อแผ่ความมีสติความรู้ตัวสมาธิ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 พยายามที่จะแก้ไขด้วยสติด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยความพยายามรับรู้อะไรก็รับรู้อย่างมีสติมีทำทำงานทําอะไรก็มีสติกํากับตรงนี้แหละมาช่วยทําให้ทําฝ่ายกุศลของเราเจริญงอกงามนี่ถ้าเจริญงอกงามเนี่ยแล้วเนี่ยถึงเวลาจะให้มันโกรธมันก็ไม่โกรธนะถึงเวลาจะให้มันด่ามัมนก็ไม่ด่านะแต่ถ้าไม่มีตรงนี้อยากจะให้มันรักอยากจะให้มันเมตตาอยากจะให้มัน ปล่อยว่ามันปล่อยไม่ได้นั่นเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องพยายามทําให้ธรรมะฝ่ายกุศลเจริญงอกงามไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าธรรมะฝ่ายกุศลเนี่ยมันก็จะไปจัดการกับธรรมะฝ่ายอกุศลเองและยิ่งถ้าเราไม่ไปให้อาหารไม่ไปบํารุงธรรมะฝ่ายกุศลเนี่ยมันก็จะค่อยหายไปหายไปถ้าเป็นสิงเสือสิงจะทิ้งแล้วก็กลายเป็นเสือสิงจะทิ้งหน้าที่เชองะเอามาเล่นละครสัตว์ได้ ไม่ไปทําร้ายผู้คนและการปฏิบัติทําเคลือ น, นี้มันต้องใช้หลักตรงนี้เข้ามาดูคนร้นก็มีทั้งบวกและลบอยู่ในตัวไม่ใช่ว่ามันจะมีไม่ใช่ว่าฉันบวกอีกฝ่ายหนึ่งลบมันไม่ใช่เพราะนั้นเนี่ยมันถ้าเรามองแล้วมีความสุขความทุกข์นี่มันเราต้องมองไปแยกย่อยให้ไปถึงให้เห็นถึงเรื่องของทําฝ่ายกุศลอกุศลอย่าไปมองว่าเป็นฉันหรือเป็นคนอื่นที่ทําให้ทุกข์ แต่เป็นมองอยาแบบนั้นจะเป็นมองเป็นตัวเป็นตนอย่างนั้นมันมันยาไปแล้วก็มันไม่ได้ช่ว ย, ยทำให้เราแก้ปัญหาหรือว่าทำให้เรามีขจัดความทุกข์เนี่ยงแท้จริง